สิขาบทวิพัง349ที่ชื่อว่าการขอเองคือขอคนงานบ้างอุปกรณ์ก่อสร้างสำเร็จรูปบ้างโคบ้างเกวียนบ้างมีดบ้างขวานบ้างพึ่งบ้างจอบบ้างสิวบ้างเถาวันบ้างไม้ไผ่บ้างหญ้ามุงกระต่ายบ้างหญ้าแฝกบ้างหญ้าสามัญบ้างดินเหนียวบ้าง ด้วยตนเองที่ชื่อว่ากูดีได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉับภายในหรือภายนอกหรือโบกฉับทั้งภายในภายนอกคำว่าสร้างคือสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างคำว่าที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายคือไม่มีคนอื่นไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายครหัตหรือบรรปชิตเป็นเจ้าของสร้างถวาย คำว่าสร้างเป็นของส่วนตัวคือเพื่อประโยชน์ตนคำว่าพึงสร้างให้ได้ขนาดขนาดในการสร้างนั้นดังนี้ยาวสิองคืบโดยคือพระสุคตคือวัดด้านนอกกุดีคำว่ากว้างเจ็ดคืบคือวัดด้านในฝาผนังคำว่าต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้อธิบายว่าภิกษุผู้จะสร้างกุดีนั้นพึงให้ เท้าถางพื้นที่สร้างกุฏิแล้วเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าเฉียงบากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องการสร้างกุฏิที่ไม่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวด้วยการขอเอาเองกระผมขอให้สงฆ์ตรวจดูพื้นที่สร้างกุฏิขอรับเพิ่งกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สอง เพงกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สามถ้าสงฆ์ทั้งปวงสามารถไปตรวจ ด, ดูพื้นที่สร้างกุดีได้ก็ต้องไปตรวจ ด, ดูด้วยกันทุกรูปถ้าสงฆ์ไม่สามารถจะไปตรวจ ด, ดูพื้นที่สร้างกุดีได้หมดทุกรูปก็ต้องขอพวกพิสูุนที่ฉลาดสามารถรู้จักพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบ เป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบแล้วแต่งตั้ง